นานจะได้ประชุมทีนงะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ประชุมซะเลยเพราะคอยดูแต่ธาตุขันซึ่งเป็นเครื่องใช้จะพอเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรเนี่ยสำคัญอย่างอื่นก็พอทำเาอาแล้วสำหรับธาตุขันนี้รู้สึกว่าอ่อนลง อ่อนลงเรื่อยๆยิ่งหน้าร้อนด้วยแล้วก็ยิ่งอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดผูเพื่อนผู้ปฏิบัติัธรรมทั้งหลายก็อดวิตกวิจาร์ด้วยไม่ได้เพราะความอ่อนสติปัญญา อ่อนความภาคเพียนทั้งหลายนี่เป็นสำคัญเพราะคำว่ากิเลสกิเลสในสัพธรรมะที่ท่านนำมาแสดงนั้นมันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆดวงเว้นจิตพระพุทธเจ้าพระหรันทานเท่านันน้น มันไม่เคยอ่อนตัวลงเหมือนธาตุขันและจิตใจของเราที่เพียนพยายามในด้านอัตธรรมเลยมันดีดมันดิด้นมันหมุนตัวเพื่อความเป็นกิเลสอยู่ตลอดเวลาในจิตดวงนั้นดวงนั้นคิดตุงเรื่องอะไร ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรมันเป็นทางเดินของสิ่งเหล่านี้ที่จะออกกว้านหาผลประโยชน์ของมันเข้ามาเป็นฟืนเป็นไฟเผาใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่ที่น่าคิดมากทีเดียวสัตว์โลกเพลินกันทั่วดินแดน พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นธรรมชาติเหล่านี้จึงทรงท้อพระไถ่เราจะเห็นได้ในเวลาตรัสรู้ใหม่ๆทรงท้อพระไถท่ที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกแม้จะมีผู้รู้ตามเห็นตามอยู่จำนวนมากกว่าตามเพราะสิ่งเหล่านี้มัน ล้นพระไทยที่พระองค์ทรงทราบหมดแล้วว่าเป็นสิ่งละเอียดแหลมคมขนาดไหนมีสัตว์ตัวใดบ้างที่จะเล็ดรอดออกจากตาขขา่อันหนาแน่นของมันนี้ไปได้นี่ทำให้พระองค์ทรงท้อพระไทยสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงท้อพระไทยมาแต่ครั้งนั้นจนกระทั่งถึง เวลานี้มีความอ่อนตัวอย่างไรหรือไม่มีการอ่อนกำลังในการหมุนตัวลงอย่างไรหรือไม่นี่ไม่มีการอ่อนตัวไม่มีการอ่อนกำลังลงเลยยิ่งนับวันหนาแน่นขึ้นโดยลำดับหมุนรวดเร็วขึ้นโดยลำดับ ในหัวใจของสัตว์โลกผู้ที่หลงเพลงกล่อมของมันยังเริ่มหลับไปไม่รู้สิตัวเลยยิ่งนับวันมากขึ้นโดยลำดับนี่ยิ่งเป็นที่น่าสลดสังเวชอยู่มากศา ส, สนาเลยกลายเป็นเหมือนกับฝ่ามือกั้นแม่น้ำมหาสมุทรทะเล ไม่ให้มีคลื่นจะเป็นไปได้อย่างไรนั่นฟังคาว่ามหาสมุทรทะเลหลวงกว้างขนาดไหนลึกอย่างไรกับฝ่ามือที่จะไปกัน้นไม่ให้น้ำเหล่านั้นแสดงคลื่นขึ้นมาย่อมเป็นไปไม่ได้นี่สัตว์โลกเป็นเหมือนกับคลื่นแม่น้ำมหาสมุทรทะเล ที่ถูกกิเลดมันผัดมันผันเป็นคลื่นใหญ่คลื่นเล็กทั่วดินแดนของมหาสมุทรคือจิตของสัตว์โลกแต่ทำนั้นไม่ทราบว่าเมื่อไรถึงจะผ่านมาด้วยฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือเท่าฝ่ามือหนึ่ง น, งนี่ที่มันน่าสลดสังเวชอยู่มากขอให้ทุกท่านได้พินิษ์พิจารณา ตามหลักความจริงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่มีความผิดเพี้ยนดมูมหาสมุทรมหานิยมในใจของเราซึ่งเทียบกับคลื่นแม่น้ำมหาสมุทรทะเลที่แสดงคลื่นอยู่ภายในตัวของเราทั้งคลื่นใหม่คลื่นเก่าที่ได้รับออกมาจากภายนอก มาตั้งคลื่นขึ้นภายในหัวใจและตั้งคลื่นขึ้นมาเองโดยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องบัวกกันเข้าก็เป็นคลื่นอันใหญ่โตหมุนกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนหาความสงบตัวไม่ได้เหมือนแม่น้ำมหาสมุทรทะเลที่ตั้งคลื่นขึ้นนั่นแหละ ใจิตใจของเราที่มีคลื่นแห่งกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆตั้งคลื่นขึ้นมาภายในใจิตใจเพื่อเพิ่มพูนตัวของมันขึ้นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงขอให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวสมกับเพศแห่งความเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติตั้งใจมากาจัดคลื่นที่อยู่ในหัวใจของเหล่านี้ ให้ค่อยเหือดแห้งและหมดไปจางไปโดยลำดับลำลาด้วยความภาคเพียรที่ไม่ย่อหย่อนอ่อนกำลังได้กาจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจใจที่ไม่มีคลื่นแห่งสมมติทั้งหลายมีกิเลสเป็นตัวสำคัญปีปีสีไฟและลบกวนใจนั้น ย่อมเป็นใจที่สงบแนบแน่นหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่ได้แล้วในโลกนี้จะเทียบกับสมมุติใดก็เทียบไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่สมมุติเมื่อผ่านจากขึ้นทั้งหลายนี้ไปแล้วว่าใสก็ใสแบบจิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้ใส ท, ทั้งทที่กิเลสยังมีและนอนเนื่องอยู่ ภ า, ภายในลึกๆเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แล้วศรัทธาความเชื่อว่ากิเลสจะต้องหมดสิ้นไปด้วยความเพียร น, นี่ให้ตั้งไว้เสมอ <c oughs> ความเพียรเพื่อจะระงับดับกิเลสก็ให้มีความแน่นหนามั่นคง ชาติประจํางานของตนประจําความเคลื่อนไหวของใจตลอดอิริยาบถต่างๆสมาธิในต่างเหตุ <c oughs> คือความเหนียวแน่นมั่นคงแห่งความพยายามทั้งหลายต่อความเปลี่ยนเพื่อชําระกิเลสปัญญาคือความรอบตัวอยู่เสมอรักษาใจระมัดระวังอารมณ์ ที่เกิดขึ้นภายในใจนั่นแหละไปกว้านเอา <c oughs> สิ่งที่เป็นค่าศึกมาเป็นอารมณ์อยู่ภายในจิตใจแล้วก็เผาปรานตนเองอยู่ตลอดเวลาปัญญาต้องใช้กับสิ่งเหล่านี้กันกรองกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่ชื่อว่าผู้ประกอบความภาคเพีย <c oughs> ตามทางของศัสดาที่เสด็จผ่านไปแล้วและสาวกที่ท่านผ่านไปแล้วด้วยความเพียรประเภทนี้ <c oughs> เราเป็นลูกศิทถาคตจะเห็นสิ่งใดเลิศเลยยิ่งกว่าพระพุธทธเจ้าพระธรรมและพระเรียสงสาวกท่านซึ่งจะเป็นธรรมชาติชุดลากจิตใจของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญ ให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายที่สัตว์โลกและเราทั้งหลายได้ถูกบีบบังคับและทรมานเรื่อยมาจงทั้งบัดนี้ไม่เป็นที่สงสัยแม้อนาคตข้างหน้าก็จะเป็นไปทำนองที่เคยเป็นมานี่แหละเพราะฉะนั้นจึงรวมกําลังใจลงสู่พระธรรมห้าประการ คือศรัทธาเวรียสติสมาธิปัญญานี้ให้แน่นหนา ม, มั่นคงอยู่ที่ไหนอย่าลืมเราอย่าคาดอย่าหมายการเ ว, เวลาสถานที่ต่างๆซึ่งไม่ใช่กิเลสเลยกิเลสแท้จริงนั้นฝังอยู่ที่ใจของเราพยายามรู้ความเคลื่อนไหวของมันจะออกไปหาอาหารมา พอกพูดมันและในขณะเดียวกันก็หาฟืนหาไฟมาเผาไหม้เรามันออกในแง่ใดมุมใดให้ระวังเสมอเหตุทั้งหลายจะไม่มีทางเกิดขึ้นนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นฟังให้ดีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นมหาเหตุก่อความทุกข์ทั้งหลาย เวลานี้ใจเป็นสมูทัยทั้งดวงเพราะกิเลสครอบไว้หมดหาช่องทางที่จะแสดงหรือฉายแสงออกมาไม่ได้เลยนี่จึงเรียกว่าเป็นมหาเหตุเพราะสมูทยที่ครอบใจไว้แล้วย่อมแสดงเหตุขึ้นมาจากนั้นซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของมันทั้งหมวนแม่ธรรมจะเป็นของนี้อยู่ ในเวลานั้นก็ไม่มีอำนาจที่จะกำจัดมันได้มันจึงต้องแสดงเหตุอย่างเต็มกำลังความสามารถของมันโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับบัญชาไม่มีคำว่าอ่อนกำลังบังชานอกจากเวลาหลับนี้เท่านั้น <c oughs> ผู้ประกอบความภาคเพียรจริงไม่ควรมองดูอะไรสนใจกับอะไรมากยิ่งกว่าจุดนี้ซึ่งเป็นมหาเหตุได้แก่ใจดวงเดียว <c oughs> นี่เทศสรุปให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้ทราบว่ามหาเหตุคืออะไรสมุทัย <c oughs> อย่างแท้จริงนั้นคืออะไรคือใจนั่นแหละเมาเอาทั้งใจเลยในเวลาที่เมาควรเมาเช่นนี้จะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเมาเอาใจทั้งดวงนี่เลยเพราะถูกหุมหอ่อปิดบังไว้ด้วยสมุทยัย ราคขิโทสคิโมหคิโลภคิมันอยู่ในนี้หมดการแสดงออกจะไม่นอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่เหล่านี้เลยต้องแสดงออกทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่าย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่มีคำว่าสิ้นว่าเปลืองหมดกาลังวังชาเหมือนรถเขาวิ่งไปนานๆแล้วหมดน้ามัน ไปไม่ได้อย่างนี้ไม่มีในสมุทัยประเภทเหล่านี้ที่อยู่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเรา <c oughs> เหี้ยกองทุกของสัตว์จึงมีอยู่ที่ใจดวงนี้ดวงเดียวจะไปที่ไหนก็สมุทยัยดึงไปลากไปกิเลสตัณหาดึงไปลากไปสถานที่ใดจริง ต้องรุ่มร้อนด้วยสิ่งที่ดึงไปลากไปนี่แหละเพราะมันติดแนบอยู่กับใจของสัตว์โลกไม่ได้เป็นดินฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆอันใดในแดนสมมุตินี้จะมาเป็นสมุทัยเผาไหม้กิตใจของสัตว์โลกได้เหมือนกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในนี่เลยพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงแสดงลงในจุดนี้ มโนปุพังกมาธรรมามโนเสรถามโนมยานี่เป็นต้นสิ่งทั้งหลายแต่ท่านกล่าวว่าทำทั้งหลายคือธรรมชาติทั้งหลายนี่มีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานอสําเร็จแล้วด้วยใจเรียกว่าใจเป็นมาให้หาเหตุจะดีหรือชั่วประเสริฐเลื่เลย อ, อะไรก็ขึ้นอยู่กับใจนี้จะเร็วซามต่ําช้าขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับใจนี้ เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้กาจัดบตดเป่ากัดลงที่จุดนี้อันเป็นจุดสำคัญที่สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทามานตั้งแต่น้อยถึงมากจนกระทั่งเป็นมหันตาทุกจะไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้เลยในภพใดชาติใดก็คือใจดวงนี้ไปและถูกถูกถู ก, ถกลากไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสและวิบากกรรมทั้งหลายไปในภพนั้น คำว่าพบนั้นๆเราก็เคยเป็นมาแล้วไม่สงสัยในเรื่องความเป็นมาของตนผ้ามีมากน้อยเพียงไรแข่งขันกันไม่ได้ในเรื่องความทุกข์ความทามานการเกิดการตายในพบน้อยพบใหญ่มีพอๆกันมากต่อมากจึงแข่งขันกันไม่ได้เรา ไม่น่าจะมาสงสัยกับความเป็นมาของเราและสัตว์โลกทั่วไปว่าจะไม่เป็นอย่างเดียวกันนี้ <c oughs> อย่างไรที่เราจะตะเกียกตะกายให้หลุดให้พ้นจากต้นเหตุคือสมุทัยภายในจิตใจของเราด้วยการชำระสัสางอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วต ร, ตรงตรงพากันพยายามลากเข็นตนเองไปหนักเพราะความภาพเพียร น, นี้หนัก เพื่อจะเบาทุกเพื่อจะสุขแต่นักเพราะอํานาจแห่งกิเลสกดทั่วบีบบังคับนั้นหาเวลาตรงวางไม่ได้เลยไม่มีการสถานที่เว ล, เวลาเป็นอาการโกรอยู่ตลอดไปนี่ความทุกขประเภทกิเลสบีบบังคับนี้เป็นอย่างนี้ความทุกข์ประเภทที่ต่อสู้กับกิเลสเพื่อกําจัดตัวของมัน ให้จางไปจา ก, กจิตใจให้ลดน้อยลงไปจา ก, กจิตใจและให้หมดสิ้นไปจา ก, กจิตใจนี้เป็นความความทุกข์เพราะการต่อสู้เพื่อความสุขตั้งแต่น้อยไปถึงความสุขอันไพยบุรปราทั้งหลายท่านจึงไม่รังเกียจในความทุกข์ประเภทนี้ปราปราทั้งหลายท่านเขารบในความภาคเพียรซึ่งเป็นไปด้วยความทุกข์ประเภทนี้ จนกระทั่งหลุดพ้นไปได้ก็เพราะชนะสิ่งที่ต่อต้านให้เกิดความเป็นทุกข์ในเวลาประกอบความภาคเพียรนั่นแหละ <c oughs> เราเป็นลูกศิทธัตคตยาย่อยอนอ่อนกำลังธรรมะของพระพุธทธเจ้าเป็นอาการิโกูใจนี้แหละเป็นผู้ที่จะรับทราบหรือสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมะ หยาบกลางละเอียดจนกระทั่งสูงสุดพิมุตตหลุดพ้นพ้นที่ใจไม่ปรากฏที่ไหนหลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นที่นี่จึงต้องให้ตั้งหน้าตั้งตากำหนดพินิจพิจารณาอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ให้พอในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้มีล่ำเวลาเสียไปเปล่าๆไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพราะเพียงมืดกับแจ้งมานับมันหาอะไร วันนั้นปีนี้เดือนนั้นก็พูดไปตามสมมุตินิยมความมืดความแจ้งนี้เป็นมาแตกกับไหนกันใดแล้วกิเลสอยู่ในหัวใจของเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่กำจัดมันเสียได้แล้วอย่างไรก็ต้องสังจมไปนาจิตตลอดเวลาอาการลิโกพบชาติใดก็ไม่พ้นที่จะรับความทุกข์ความตรมา a n นี่ประหลัใครเล่านอกจากพระศ า, าสดาอุเอกซึ่งมองเห็นตลอดทั่วถึงหมด ด้วยโล ก, กวิถูยังได้ทรงแสดงธรรมไว้ให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยความเห็นโทษเห็นภัยจริงๆและแสดงด้วยความเห็นคุณค่าแห่งธรรมคือความหลุดพ้นจากทุกความทรมานนี้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงโดยสิ้นเชิงจริ ง, รงๆก็มีสัต์สดาองค์เอกผู้สิ้นจิเนตนี้แต่และพระองค์พระองค์เท่านั้นนอกนั้นไม่มีใครจะสามารถนาธรรมะเหล่านี้ มาดื้มาถอนมาพาดมาฟันกับกิเลสได้เลยและไม่มีใครที่จะมาเปิดหลักธรรมาชาติแห่งความจริงทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายได้รับทุกข์รับทรมานอยู่นี้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั่นเละแต่พ่ อ, อยางยิ่งคือศาสตราองค์เอกของพวกเราทั้งหลายเวลานี้ประกาศตังวานอยู่ในธรรมทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่แสดงประหนึ่งว่า โกนุห้าโซจิมานันโดปลุกพวกเราทั้งหลายที่กำลังหลับอยู่ด้วยความเคลิบเคลิ้มลหลงไหลกับกิเลสทั้งหลายด้วยบทธรรมว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติอันทะกาลเลนะโอนัฐาอดีปังนักเวสถักกวมเมือโลกสันนิวาสนี้รุ่มร้อนทรมานไปด้วยฟื้นด้วยไฟคือกิเลสตัณหา ประเภทต่างๆเผารลนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ยังหัวเราะกันได้อยู่หรือทําไมจริงไม่สะแสวงหาที่พึงเตือนแล้วหรือยังยังหัวเราะรื่นเริงกันหาอะไรสมบัติอะไรสาเหตุอะไรจริงให้รื่นเริงรู้ไหมว่ากลมายาของกิเลสมันหลอกลวงให้ สัตว์ทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวจนถึงกับลืมทุกขทั้งหลายที่มันปีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเหมือนพระพุทธเจ้าทรงปลุกตลอดเวลาด้วยธรรมทั้งหลายที่มีในตำรับตำลาบรรดาลที่เราทั้งหลายได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมปลุกสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากหลับ ที่กิเลสกล่อมลงอย่างสนิทนี้ทั้งนั้นทั้งนั้นและเราเป็นนักบวชเมื่อไรก็ตื่นจากกหลับโมหะก็คืออะไรถ้าไม่ใช่กิเลสมันปิดไว้หุ่มห่อไว้ให้มิดปิดตัวไม่มองเห็นอะไรเลยเรายังว่าหูแจ้งตาสว่างอยู่เหรอตาเนื้อหูหนังนี่โลกทั้งหลายมีสัตว์ทั้งหลายมีไม่เป็นของแปลกประหลาด แต่ตาสติปัญญาที่จะอย่างทราบในความจริงทั้งหลายทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษนี้เป็นตาที่สําคัญซึ่งควรจะสั่งสมให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนให้แก่กล้าสามารถพอที่จะประหัดประหารสิ่งที่เป็นไปทั้งหลายนี้ออกได้โดยลําดับจนกระทั่งถึงดุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงเป็นสิ่งที่เราควรรำลึกให้ถึงใจ ไม่เช่นนั้นวันคืนเดือนปีก็เป็นวันคืนเดือนปีแต่พวกเราก็จะตายจมอยู่กับมืดกับสว่างนี้เท่านั้นแล้วในแดนนรกมีมืดมีสว่างที่ไหนหรือเราเองซึ่งเป็นนักบวชยังเข้าใจแบบที่หนามืดแปดทิศแปดด้านอยู่หรือว่านรกไม่มีสว่างนิพานไม่มี ยังหลงไปแบบโลกเขาที่ผิวผิวเ น, เนเกิดมาไม่เคยพูดศา ส, สนาไม่เคยกราบพระสวดมนต์ไม่เคยระลึกได้เลยพูดทางธรรมทางขั ง, ง, ง, งนั่นอยู่เลรอพิจนาเพศนี้เพทเข้าสู่สงครามเพศเข้าสู่ความจริงควรจะได้เห็นความจริงประจักษ์ใจของตนสิ่งเหล่านี้ปิดไม่อยู่พระพุทธเจ้ารู้ด้วยการปฏิบัติ ของพระองค์เองตลอดสาวกทั้งหลายรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งสูงติงต่ทั้งต่ำด้วยการปฏิบัติของท่านเองด้วยกันทั้งนั้นแล้วนำมาสั่งสอนโลกด้วยโลกะวิถูรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงทั้งหลายให้โลกทั้งหลายได้รู้ทั้งดีทั้งชั่วให้เห็นทั้งภัยทั้งคุณ แต่เราทั้งหลายซึ่งเข้ามาใกล้ชิดติดพันกับธรรมเหล่านี้ด้วยภาคปฏิบัติยังมานอนจมอยู่กับความประมาทนอนใจหรือความไม่เชื่อในธรรมทั้งหลายเหล่านี้อยู่หรือให้ถามเจ้าของให้ดีไม่อย่างนั้นจะจมไปเหมือนโลกทั้งหลายทั่วไปที่เขาจมไปจมกันทั้งๆ ท, ท, ที่เขาไม่ได้สนใจปฏิบัติแต่เราเป็นผู้ปฏิบัตินี่อันนี้ที่มันเลวร้ายกว่า สัตว์ทั้งหลายให้รีบพิจ น, นาเจ้าของตั้งแต่บัดนี้ทำพระพุทธเจ้าสดสดร้อนร้อนทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดส่วนใดก็ตามเป็นธรรมสดสดร้อนร้อนด้วยสวักาขาธรรมทั้งนั้นตราดไว้ชอบหมดหมว่านารกอเวกีกีหลุมกีขุมก็ตามสวรรค์ชั้นถมกิเลสประเภทใดก็ตาม ทรงแสดงไว้ตามความมีความเป็นของกิเลสเวลานี้กิเลสมีไหมในหัวใจของเรามีประเภทใดบ้างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นโมฆะโกหกโลกไปหรือความโลภมีไหมในหัวใจของเราความโกรธความฉุนเฉียวมีไหมในหัวใจของเราราคะตัณหามีไหมในหัวใจของเราแล้่ยแ้าแยกไปต้นเหตุอันนี้มันจะพาไปไหน นรกมีไว้ําเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อสิ่งเหล่านี้นั่นแยกออกไปนั่นเหมือนอย่างเรามองเห็นวัตถุต่างๆอยู่ที่ใกล้ตัวของเรานี่ก็คือวัตถุนอกออกไปนั้นก็คือวัตถุที่เห็นปฏิเสธไม่ได้นอกไปยิ่งกว่านั้นอีกก็เห็นที่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันคือมีอยู่เหมือนกันหมดมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นปฏิเสธไม่ได้มองลงทั้งต่ําก็เห็นด้วยตาของเราปฏิเสธไม่ได้ นี่เรื่องพระญาณที่อย่างทราบของพระพุทธเจา้าผู้สิ่งกิเลสแล้วก็เหมือนกันตรัสเรื่องของกิเลสประเภทใดก็มีอยู่แล้วเต็มหัวใจสัตว์โลกเนี่ยตรัสเรื่องวิบากรรมกี่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขหรือความทุกข์เพราะการทําดีทําชั่วก็มีเต็มอยู่แล้วในกิริยาอาการของสัตว์ที่ทำและเผาลนสัดทั้งหลายตลอดถึงผู้ที่เสวยสุขจนกระทั่งถึงสุข อันสุดยอดพระองค์ก็ทรงแสดงไว้แล้วมีอยู่แล้วในหัวใจของสัตว์นะจะเป็นแยกไปประเภทใดก็ตามล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปด้วยสวดคารธรรมที่จัดได้ชอบแล้วทั้งนั้นเี่ยพูดถึงเรื่องความเพียรเพื่อแก้กิเลสฆ่ากิเลสทั้งหลายก็ฆ่าที่ตรงไหนก็แสดงลงที่ จ, จิตใจเพราะใจเป็นครังของกิเลสเป็นครังแห่งกองทุกข์ทั้งหลายมีอยู่นี้ทั้งนั้นมาเลยมีอยู่ตามดินฟ้าอากาศ หนือฟ้าแดดดินลมที่ไหนการสถานที่เวลาเวลาไม่มีสถานที่ทุก์อยู่ได้มีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกถ้ามีร่างกายอย่างนี้ก็เต็มไปทั้งกายทั้งใจของสัตว์แต่ละละลายละลายไปจะเป็นพบได้ชาติใดเรื่องของกิจของบาปของกรรมก็ติดแนบกิเลสก็ติดแนบอยู่ภายในจิตใจนั้นย่อมเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาได้เช่นเดียวกันในภพนั้นๆไม่สงสัย น้เราจะไปพบไหนที่จะแคล้วคลาดปลอดภัยนอกจากจะสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายใจิตใจนี้ให้หมดด้วยภาคปฏิบัติของกรรมฐานเหล่านี้ให้สิ้นซากลงไปจนกลายเป็นนัดดุขัางนัตถิอาชาตัตะเต็มภูมิเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นคำว่าบุขัางนัตถิอาชาตสะถ้าพูดแต่ภาษาบาลี พูดที่แปลไม่ออกก็เป็นปัญหาเองเหมือนกันทุกย่าไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนี่แปลออกมาเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเราผู้ปฏิบัตินี้เรานั่ต้องการความเกิดอยู่หรือถ้าต้องการความเกิดก็ต้องการความทุกข์กับต้องการกิเลสเพื่อกองทุกข์ทั้งหลายก็เป็นอันเดียวกันถ้าเราไม่ต้องการความเกิดก็คือเราไม่ต้องการกิเลสซึ่งเป็นผู้สร้างของทุกข์นั่นแหละแล้วสังหารมันลงไป ทุกเวลาเวลาจนไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นแหละเรียกว่าดุขังนติอชาตัสสะไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจพอที่จะไปตั้งพพตั้งชาติอีกเลยแล้วความทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมามันจะมีมาจากไหนเมื่อกิเลสจึงสร้างไปแล้วก็ไม่มีผู้สร้างของทุกข์ขึ้นมาภายในใจของสัตว์เนี่ยของผู้ที่หลุดพ้นนั่นแล้วขอให้พิจารณาให้ดีทุกทุกองที่มาประพฤติปฏิบัติ ภูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เราก็เห็นอยู่แล้วเวลานี้จนจะไม่มีเหลือผู้ทรงอัดทรงธทรรมที่แนะนำสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำเรายังจะประมาทตอนใจอยู่เหรอยิ่งกูดด้วนเข้ามากูดด้วนเข้ามาทางภาคปฏิบัติแล้วเรื่องโลกามิตรอันเป็นเหยื่อล่อของยิเลศนั้นยิ่งมากขึ้นทุกวันทุกวันแทะเข้ามาทุกแห่งทุกหนตาบลหมู่บ้านไม่ว่าสถานที่ใดลุกลามเข้ามาเหมือนไฟ ได้ถือว่าหรือเหมือนไฟลามทุ่งนั่นแหละแล้วถ้าไม่ระวังก็จีพายได้จริงๆเวลานี้เป็นเข้ามาหมดในวัดในว่าพระเนรจะไม่มีเหลือพระเหลือเนนอยู่ในวัดในวาแล้วจะเหลือตั้งแต่ซากของพระของเนนที่จีวรครองอยู่เท่านั้นทั้งเขาทั้งเราผู้ตามหลักความจริงไม่ได้ระบุ เออตรงว่าผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้เข้าเผาไหม้แล้วมันเป็นได้ด้วยกันอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้คืออะไรถ้าไม่ใช่ไฟของกิเลสมันลุกลามเข้ามาเผาเอ า, าเผาเอาเบื้อความอย่างว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วไม่อยากพูดในวงพระของเรานอกจากความด้วยด้านหารธรรม ไม่สนใจกับเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอัดเรื่องทําอะไรเลยสนใจแต่ธรรมชาติที่เป็นปืนเนไฟนี้เท่านั้นมันถึงจะเกิดขึ้นได้ในตัวของพระของเนนวัดบาอาวาสนี่ตั้งแต่อยู่นอ ก, น, อกนั้นมันก็เผาเขึ้นมาอย่างนี้แล้วผู้เป็นอยู่ภายในจิตนี้ก็ยิ่งชอบเสาะชอบสแสวงหาด้วยแล้วเป็นยังไงไฟกับเชือบไฟแสดงเปล่จะไม่จุดเมฆจะจุดที่ไหน เมื่อไฟได้เชื้อต้องเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมันก็เป็นไฟยอยู่แล้วไฟในตัวเองเแล้วยิ่งได้เชื้อเขา้าเสริมเข้าไปแล้วก็ยิ่งสแสดงเปรวจุดเมฆเลยเมฆไปอีกนรกอวีตรีที่ไหนถึงหมดไฟอันนี้อย่าว่าแต่เพียงเมฆเพียงหมอกนี่เลยนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นไพยให้ว่าเป็นไพยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่สัตว์โลกเมื่อมันเหนียวแน่นเข้าไปด้วยอํานาจของที่เดียก ยึดเหนี่ยวบีบบังคับแล้วย่อมเกิดความกระหายจารไถยอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากสั่งสมสิ่งวันนี้และอยากขวัญขวายไม่ว่าเขาว่าเราเต็มโลกเต็มแผ่นดินคำว่าธรรมจะไม่ปรากฏในหัวใจสัตวโลกแล้วเวลานี้ชาวพุทธของเราส่วนมากจากต็นอย่างนั้นแล้วเราก็เป็นชาวพุทธคนหนึ่งจะไปแง่ใดมุมใดจะออกช่องใดทางใดให้รีบพิณิชพิจารณาเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่สายเกินไป ตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรลงนักธรรมกรรมฐานเรานี่ตายแบบโลกโลกแล้วเหลวให้ตายแบบนักต่อสู้สิแกให้ได้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นภัยอย่างยิ่งศาสนาสอนว่าเป็นภัยร้อยเปเ็ทำไมเราจรึงกระหารต่อมันคือกิเลสยีประเภทาม่ากิเลสอยู่ที่ไหน บีบบังคับอยู่ที่หัวใจนี่กิเลสไม่อยู่ที่ไหนจะไปสร้างบ้านสร้างเดือนให้มันอยู่มันไม่ยอมอยู่อืมยินฟ้าอากาศกว้างขวางขอบเขตจักรวาลมันก็ไม่อยู่มันอยู่ที่หัวใจสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์จริงต้องได้รับความทุกข์ความทรมานพูดถึงเรื่องความเป็นภยัยมันเป็นภัยต่อหัวใจสัตว์ธรรมชาตินี้ไม่ไปเป็นภัยต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยการปฏิบัติถ้าจะย่อห ย, ย่อ น, ย อ, น, ย อ, นอยู่อย่างนี้ไม่ทันการนะ เอาจริงเอาจังตั้งใจว่าพฤทธปฏิบั ต, ติวิธีใดที่กิเลสจะค่อยหลุดค่อยลอยใจจะได้รับความสงมบรุ่เย็นไปเดิมดับให้ ส, สะแสวงหาพิแปรเปลี่ยนแปลงห ล, ล, ล, ลายสันหลายขมผู้ปฏิบั ต, ติเพื่อความเฉลาดต้องเป็นอย่างนั้นไม่แค่อยู่ไปกินไปวันหนึ่งคืนหนึ่งทำความเพียรกษัตริ์แต่กิริยาเดินจอกจอกอยากจิตใจถูกกิเลสลากไปถลุงกี่ทวีปไม่ทราบเลยกลับมาก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้เต็มไปหมด นี่วันหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วอียาบทหนึ่งหนึ่งก็เป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้วเราจะหาคุณธรรมคือความสงบร่มเย็นเพื่อหัวใจมาจากไหนนี่ถามตัวเองเข้าไปนักปฏิบัติมีปัญหาตั้งขึ้นเรื่อยถามเรื่อยจึงเดียกว่าพูดสอบเสแส ห, หาปัญญาปัญญาจะเกิดเพราะการคิดค้นคว้าการพินิจพิจารณาไม่ได้เกิดด้วยการอยู่เฉยๆแบบหมูคขื่นเขียงอืศาสนาของเบื่อเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นหมูคขื่นเขียง แต่สอนเพื่อกาจัดฟัดกับกิเลสให้แหลกแตกกระจายออกไปจากจิตใจและทรงบรมสุขนี่สมชื่อสมนามว่าเราเป็นนักธรรมกรรมฐานที่ออกแนวรบแล้วถ้าว่าขึ้นเวทีก็ขึ้นแล้วต่อกรกับผู้ต่อสู้เอาถึงเป็นถึงตายหรออากนั้นก็ได้ชัยชนะมาครองหัวใจเป็นความสง่างามครอบโลกธาตุนี่ใจที่ หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายแล้วสง่างามขนาดไห น, นเราใคยอยากคาดเรื่องของธรรมกับเรื่องของโลกแล้วไปถ้า่าว่าโล ก, กไปคนละโลกอย่างไกลลิบลับมองหากันไม่เจอเลยเราจะคาดเรื่องอะไรแม้สมาธิก็คาดไม่ไม่ถูกถ้าไม่เป็นขึ้นในหัวใจเจ้าของแค่อย่างเดียวคาดเท่าไหร่ก็ผิดเท่านั้นสมาธิขั้นใดภูมิใดก็ตามคาดไม่ได้ ต้องให้เป็นขึ้นกับเจ้าของนี่แหละถึงจะทราบจัดซึ้งในเจ้าของขนาดไหนรู้เองรู้เองไม่ต้องคาดปัญญาจะเป็นปัญญาขั้นหดก็ตามเราคาดไม่ได้ให้เป็นขึ้นกับตัวของเราเองโดยเอาอุบายที่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนนั้นไปปฏิบัติต่ตอตัวเองให้เหมาะสมกับอวา ท, ที่ท่านสั่งสอนใหแล้วเราจะปรากฏขึ้นมาเองทั้งสมาธิ ทุกขั้นทุกภูมิทั้งปัญญาทุกขั้นทุกภูมิตลอดดิมุตบุพนจะเป็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องคาดต้องฝันไม่ต้องไปหมายอะไรเลยเป็นขึ้นอันนี้นี่ธรรมะนี้เป็นธร ร, ธรรมะสัมมติติโกคือรู้เองเห็นเองไม่ต้องอาศัยการวาดภาพการคาดคะเน ด, ดุนเดาอะไรทั้งทั้งสิ่งปั จ, จตเววิัจตเวทวิญญคือท่านผู้ทั้งหลายรู้จำาพาะตน ใครจะเป็นผู้รู้ถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติก็มีผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ใครเป็นผู้ปฏิบัติไม่ว่าฆราวาสญาณโยมดูพระนั่นั่นคือผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้จะรู้จะรู้ขึ้นมาในวงจำกัดของตัวเองนี้เท่านั้นไม่ไปสาหรับหน้าแก่ผู้อื่นใดที่เขาไม่สนใจปฏิบัติเลยให้เห็นให้ทำพระพุทธเจ้าประกาศกังวานมาเฉพ่อศาสนาของพระพุทธเจ้าเราก็ ใน 2,500 กว่าปีนี่แล้วอั น, นเป็นยังไงผลจึงไม่ปรากฏแกเราบ้างศา ส, สนาก็มีตั้งแต่ตำหรับตำราคำพีเวลาอยู่เฉยมีแต่ต่ชื่อของอจของธรรมของนรกสวรรค์บาปกรรมต่างๆอยู่ในตำหับตำลาไม่สนใจแต่การสร้างความชั่วช้าละมกนั้นมนุษย์เราสร้างตลอดทั่วหน้ากันไม่มีใครไม่ไดยกเว้นว่าใครไม่สร้างแม้ที่สุดนั่งปวดเราก็ ไม่สร้างโดยเจตนามันก็สร้างด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วสร้างด้วยความโงกเขาบอบปัญญาอยู่นั่นแหละแต่เพราะอย่างยิ่งอย่างเราปฏิบัติอยู่เวลานี้ไม่มีใครเจตนาที่จะสร้างความชั่วช้าละมกแหละแต่มันก็สร้างความชั่วช้าละมกอันเป็นส่วนหนึ่งของกิเลสอยู่จนถ้ายั่นแหละเพราะความไม่มีสติสตังเพราะความสติปัญญาไม่มีมันสร้างอยู่ในตัวของมันแล้วกิเลสจะเหงือดแห้งหมดไปที่ไหนได้ เมื่อไม่สร้างอย่างหนึ่งก็สร้างอย่างหนึ่งไม่สร้างอย่างหยาบ ก, ก็สร้างอย่างละเอียดละเอียดหลายครั้งละหนุนก็กลายเป็นส่วนหยาบขึ้นไปได้และเผาได้เช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปจึงไม่ควรนอนใจในการประพฤติปฏิบัติตัวเอาให้เห็นทำพระพุทธเจ้าประกาศตังวานมาได้สองพันห้าร้อกว่าปีนี้ประกาศลงที่หัวใจของผู้ปฏิบัตินะ่ะไม่ประกาศที่ตรงไหนลงท่วงตรงไหนลงที่ตรงนี้สดสดร้อนๆ้อนหรือว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติ แล้วไม่อยากจะพูดว่าอยู่ที่ตำหลับตำราอยู่กับใครใครก็ตามอยู่ที่ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระเจ้าอย่างแท้จริงนั่นแหละจะอยู่ที่นี่จะปรากฏขึ้นที่นี่ไม่ว่าธรรมะขั้นใดจะเป็นสันธิโกสันติโกขึ้นนิสตุสดร้อนแม้พระพุทธเจ้าจะปริพานธ์ไปนานจาะเท่าไหร่ก็ตามอันนั้นเป็นเพียงการสถานที่วเวลาสมมุติประเภทหนึ่งต่างหากส่วนความจริงนี้ไม่ได้ล่วงไปไหนไม่ได้เลยไปไหนความจริงเป็นความจริง อริยสัจคืออะไรนี่เคยพูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่แหะคือความจริงหลักที่เป็นเครื่องยืนยันแห่งมรรคผลิ พ, พานดูตรงอริยสัจพิจารณาอริยสัจให้แตกกระจ า, ะจายลงไปภายในหัวใจของเหล่านี้แล้วจะได้เห็นความจริงอันที่เคยคาดเคยคิดปรากฏขึ้นกับใจของเราโดยไม่สงสัยลักการปฏิบัติเป็นสําคัญมากอย่าลืมเนื้อรืมตัว อยู่ที่ั้นให้มีสติพินิษฐ์พิจารณาอย่ายินดีกับสิ่งใดอย่าอยากอยากดูอย่าอยากฟังอย่าอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสต้องตัดกันอยู่ตลอดเวลานี่จึงชื่อว่าความฝูญกันอยากดูไม่ดูสิ่งที่เป็นภัยแล้วไม่ดูนั่นอยากฟังไม่ฟังสิ่งที่เป็นภัยแล้วไม่ฟังนลมกลิ่นริมรถอะไรก็ตามธรรมารมณ์ที่เป็นภัยไม่นํามาคิด าอาจจะทำเข้าไปเหยียบย่าทําลายมันทําหน้าที่แทนนนั่นจึงชื่อผู้ปฏิบัติมันต้องเลยฝืนตลอดเวลาฝืนทั้งนอกก็ตาหูจมูกลิ้นกายฝืนกับรูป ก, กับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆซึ่งเป็นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นปืนเป็นไฟจะเผาไหม้ในหัวใจเรานี่แหละเนี่ยจึงต้องฝืนกันความคิดภายใจิตใจมันเสียได้อารมณ์อะไรอารมณ์เหล่านี้เคยมีมาแตั้งแต่ไหนแต่ไรในหัวใจของเราเอง แล้วทำไมจึงไม่อิ่มไม่พอหรือเรื่องของกิเลสแล้วไม่อิม่มมีแต่อยากมีแต่หิหวยเลื่อยไปเราเราลม ล, ล, ล, ลึกลเป็นไปตามมันมากน้อยเท่าไรยิ่งจะถูกถูกถูกลากให้หนักมือขึ้นไปเลยจนไม่มองเห็นหัวใจเจ้าของไม่มองดูหัวใจเจ้าของตลอดบันตายไปเลยนี่อํนนานาจของกิเลสเราอยากเข้าใจว่ากิเลสจะจูงไปแล้วจูงกลับมาหาบ้านหาเรือนของเราทรงประทะายกรรมตายทิ้งกระเป๋าไม่มีวันที่จะ เอาคําดีกลับมาสู่เราได้นอกจากเอาปืนไฟเผาไหม้เราตลอดเวลาที่คิดไปคิดไปเท่านั้นท่านจึงให้ฝืนฝืนให้เต็มที่ไม่ฝืนไม่ได้นะจะหมดจริงๆมองไปไหนมันมันอดคิดไม่ได้ยิ่งเท่ายิ่งแก่มาทลายความมิจฉกวิจารในวงเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมาฐานของเรายิ่งทําให้คิดมากขึ้นโดยลําดับเป็นห่วงเป็นใย เพราะความรู้เท่าไมา่ถึงการกับสิ่งทั้งหลายด้วยอันนี้สำคัญไม่ใช่มีเจตนาและสิ่งที่จะมาทำให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยนะั้นมันมีรอบตัวตลอดเวลาด้วยเครื่องรับของเราก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็พร้อมอยู่ตลอดเวลาด้วยที่จะรับสิ่งเหล่านี้อันนี้จึงน่าวิตกมากทีเดียวต้องเลยใช้ความพินิจพิจารณาให้ดีมู่เพื่อนผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ยาเสียดายไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าวิสุทธิธรรมใจที่บริสุทธิ์วิมุตต์หลุดพ้นจากภัยทั้งหลายเหล่านี้แล้วเท่านั้นเป็นของประเสริฐสิ่งนี้เป็นภัยประเสริฐอะไรพี่นา้าให้ดีพระพุทธเจ้าสอนไม่ักเท่าไหร่ธรรมะบอกแต่สิ่งเหล่านี้เป็นภัยทางนั้นนั้นึกบอกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรเลยเราทําไมจึงชอบจึงติดนี่แเรื่องของกิเลสนี่ให้ติดได้อย่างง่ายได้ละเอี ย, ยดละอามากไม่มีอะไรเกินกิเลส ให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติไปคำข้อนี้อย่าลืมที่ว่าความละเอียดแะอวของกิเลสละเอียดมากสุดความสามารถของเร า, เราท่านๆนั่นแหละถ้าจะพูดก็สุดหากไม่ตั้งใจพูดปฏิบัติจริงๆสอดส่องมองดูแยกแยะมันจริงๆด้วยความภาคเพียรอย่างถึงใจแล้วจะไม่เจอความทั้งความละเอียดของธรรมทั้งความละเอียดของกิเลสแล้วจะไม่เจออะไรทั้งนั้นจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลส ผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาตลอดเวลานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะได้รับถ้าไม่ได้ใช้ความปินิพิจนาให้ดีตามหลักปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างที่ว่านี่แหละละเอียดจริงๆภาคปฏิบัตินั่นละ่ะเป็นภาคที่จะจับยึดได้โดยไม่สงสัยตั้งแต่หยับยาบนี่ตั้งสติแล้วล้มตั้งสติแล้วล้มความเพียรไม่ทราบเป็นยังไง ตั้งสติตั้งกับล้มไปพร้อมกันพร้อมกั น, พกนเพราะอํานาจของกิเลสมันรุนแรงมันปัดปุ๊บเดียวเท่านั้นพอตั้งขึ้นภาพก็ตั้งเพื่อลม้มตั้งเพื่อหยุดเพื่ออยู่เพื่อรู้สึกตัวไม่มีเรื่องของสติปัญญามันกลายเป็นสัญญาไปทันทีพอตั้งขึ้นเป็นปัญญาเจฟีนะตรายตองสิ่งทั้งหลายให้เป็นอัตเป็นธรรมมันกลายเป็นสมุทัยไปหมดสัญญาเพื่อสมุทยัยเพื่อกิเลสตัณหาไปหมดนี่นี่เวลามันตั้งตัวไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นทุก็ทุกแสนสาหัส ในการพยายามความภา้าเพียรในขั้นนี้แต่เมื่อเราอาศัยความพิจิจพิจารณาอุบายวิธีการต่างๆหลายสันหลายคมแล้วมันก็พอแยกพอแยกพอต่อสู้กันไปสติก็ค่อยมีขึ้นนะเมื่อสติค่อยมีขึ้นใจก็ได้รับการเหลียวแหลรับการรักษาก็มีความสงบเย็นทิเลตไม่เข้ามาย่ำยีตีเหลกเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์เลย มีความสงบแล้วย่อมมีทางที่จะคิดอ่านตรายตองได้คนเราแล้วก็คิดอ่านตรายตองถึงสภาวธรรมแห่งความมีความเป็นทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งภายในกายของเรามันมีอะไรมันถึงได้ติดติดนี่นะมันก็ติดอันอื่นกายของเรามีอะไรหนังหุ้มหอกระดูกอย่างนี้เหรอเป็นของเลือดของประเสริเผากันอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกแห่งทุกหนตําบลหมู่บ้านเผาตั้งแต่เรื่องอันนี้แหละเต็มไปหมดเรายังไม่รู้อยู่หรือว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นป่าช้าผีดิบป่าช้าผีตายมันอยู่ในตัวของเรานี่พร้อมหมดแล้ววิเศษวิสโสอะไรพิจารณาแยกไปมันเห็นทั้งภายนอกภายในชัดเจนแล้วติดอะไรมันก็ความเจ็สันปัญญาเป็นเรื่องของทีเด็กท้งนั้นซึ่งไม่ใช่ของจริงมันปลอมทั้งนั้นมันหลอกอันนั้นสวยอันนี้งามอันนั้นกีรังถาวรมันช้าวอนที่ตรงไหนเอาความจริงคือปัญญาอย่างเข้าไปสิ มืนกับมีแต่แตกองอะนี่จังทุกขงังโนตาเป็นอสุภาษุพังอชาผีดิบเต็มตัวของเราแล้วมันจะเต็มตัวของใครอีกล่ะในโลกอันนี้มันเป็นแบบเดียวกันหมดนี่แล้วสงสัยอะไรติดอะไรนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จังเลยให้มันไปไหนให้มันเที่ยวอยู่ในกรรมฐานคือสกุากายนี้เบืิกเบิงเบิงล่างสถานกลางเอาอยู่นี่พิจารณาบี บ, บงังคับให้มันพิจารณาอย่านี้เดียวกับปัญญา เห็นที่อื่นคิดทังอื่นก็คิดมาแล้วไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนอกจากสมุทัยภาคิดนี่ให้ปัญญาให้มากภาคิดพินิจพิจารณาแยกแยกให้เห็นตามหลักความจริงแล้วจิตใจจะยิ่งมีความสงบและแยบคายไปเดิมดับมสมาธิคือความสงบใจก็มีปัญญาคือความแยบคายในสภ า, าวธรรมทั้งหลายที่จะถอดจะถอนอุปทานก็มีขึ้นมามีขึ้นมาเพราะความรู้แจ้งเห็นจริ ง, รงตามสภาพแห่งความเป็นจริงทั้งหลายนะั่นี่เป็นอย่างนี้เรียกว่าปัญญา และยังเข้าไปพิจารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนก็ยิ่งละเอียดละอ่อซึ่งก็ไปซึ่งก็ไปโดยลาดับนี้อ่ะที่นี่ว่าภาคปฏิบัติเป็นภาคที่แจกแจงทำทั้งหลายภาคปริยัตเราเรียนมามากน้อยไม่ว่าจะเรียนท่องบนสัมวัตยาจดจำํำเราก็จดจําได้เฉพาะบทเฉพาะบาทที่ตำหนับตําราแสดงไว้นั้นเท่านั้นแต่พูดถึงอ่านให้เขาโอเเข้าใจในตำหักตำราทั้งหลาย แล้วก็เข้าใจไปตามช่องตามทางที่ตำด า, ท, าท่านจดจำเลือกวัฒนนั้นไม่ได้กว้างขวางเลือกซึ้งมากกว่านั้นไปแต่ภาคปฏิบัตินี้ไม่เป็นอย่างนั้นอืเมื่อจดจํา ม, มาได้แล้วเอามาพินิจพิจารณาเป็นเรื่องแจงไปแล้วนแแวแแวีแจงไปแล้วนแจกแจงพินิจพิจารณาอืแล้วอ่านเรื่องราวอะไรได้ได้ความเข้าใจแล้วเอาความเข้าใจนั้นมาแจกมาแจงพินิจพิจารณาด้วยทางปัญญาที่นี่แตกแขนงออกไปก็จัดกระจาย ซ่านไปหมดในตัวของเรานี่ก็ซ่านไปหมดเพื่อความรู้จริงเห็นจริงอุปทานถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาโดยลําดับพิจารณาไปรอบโลกธาตุมันก็เป็นสภาพอันเดียวกันนี้เหมือนกันนี่หมดแล้วก็กระจายไปหมดนี่เรื่องของปัญญาทางภาคปฏิบัติสติปัญญาทางภาคปฏิบัตินี่กระจัดกระจายออกไปในสิ่งข้างหลายหรือว่าแจ้งออกไปคลี่คลายออกไปที่คขาดไปละเอียดและออกมา ก, ก็คือภาคปฏิบัติ ภาพความจําเราได้แค่นั้นแหละได้แค่ที่เรียนมาจํามาเท่านั้นแล้วอ่านเข้าใจก็เข้าใจเบียงแค่นั้นแต่ภาพปฏิบัตินี้ได้แจกแจงออกไปจนเป็นความเข้าใจเลือกซึ้งแล้วถอดถอนยีเดชไปในตัวไปในตัวในตั ว, ตวจึงเหียกว่าภาพปฏิบัติยุประทานความยินมั่นถือมั่นมันจะแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ตามเถอะยังไงมันก็ต้องถอนออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงของปัญญานั่นแหละนี่เหีือกว่าปัญญา จริงละเอียดและออมากทางภาคปฏิบัติไม่ได้เหมือนภาคปริยัติปริยัติท่านยกมาพอเป็นตากเป็นทางถ้าเป็นไม้ก็เป็นเหมือนเราสูงทั้งท่อนเอามาให้เราเลื่อยแจแจงออกไปจะไปทําอะไรอะไรก็ให้แจกออกไปแจงออกไปเจรไนออกไปนี่นี่ภาคปฏิบัติคือที่แจกแจงเจรไรไปคือภาคปฏิบัตินําความ จำได้แล้วจากปริยัตยิเอามาพินิพิจารณาปฏิบัติตัวเองอย่างเจสาโรมาณาขาตันตาตะโจนี่คือภาคปริยัตยิท่านสอนไว้แล้วนี่ทีนี้เป็นยังไงเจสาเป็นยังไงนั่นแจงแล้วที่นี่โลมาณขาตันตาตะโจจจกระทั้งอาการสาที่สองเป็นยังไงนี่แจ้งเข้าไปแจ้งเข้าไปก็รู้เข้าไปรู้เข้าไปสิเมื่อรู้เข้าไปแจง้งชัดเจนเข้าไปอุประธานความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวออกมาถอนตัวรู้หมด ตลอดทั่วถึงอุปทานสิ้นไม่มีเหลือเลยรู้ในเจ้าของนั่นจึงว่าเป็นของละเอียดมากภาคปฏิบัติที่นี่เขาพูดถึงความรู้ซึ้งในธรรมทั้งหลายก็ซึ้งสําหรับการปฏิบัติเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติสมาธิเป็นยังไงไม่ถามใครตั้งแต่สมาธิขั้นยาวขัน้นกลางขั้นละเอียดจะชัดเจนในหัวใจเจ้าของเองปัญญาอีกเหมือนกันปัญญาที่พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายสภาวธรรมทั้งหลายพิจารณาด้วยปัญญาใดสภาวธรรม ประเภทใดพิจารณาด้วยปัญญาประเภทใดะลอดถึง ส, สภาะวะธรรมส่วนละเอียดละเอียดลงไปพิจารณาด้วยปัญญาอันละเอียดละเอียดลงไปโดยลาดับลําดับวิเลศมีความหยาบความละเอียดขนาดไหนตามต้อนกันพิจารณาไปตามความหยาบความละเอียดของวิเลศจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิเลศหาทางไปไม่ได้เหมือนไฟได้เชือ้อปัญญาเผาไปเรื่อย ๆ, ๆจนกระทั่งหมดหายสงสัย ในหัวใจแล้วทําไมจะไม่กว้างขวางอย่างลึกซึ้งใครจะไปคาดได้ทีนี่ความรู้ความเห็นความเป็นของจิตที่ดูดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่เราพิจารณารอบครอบหมดแล้วในสามไตรโลกธาตุนี้แล้วจิตดวงใดที่จะเหมือนอันนี้สมมุติใดที่จะเหมือนธรรมชาติที่ดูดพ้นแล้วจากสิ่งจําจองทั้งหลายจองจําทั้งหลายนี้นั่นนั่นละเอียดไหมพิจารณาดินี่ละภาคปฏิบัติภาคปริยัติไม่ได้ เยื่นเท่าไร่จาได้เท่านั้นเนี่ยแล้วก็กิเลสไม่ได้หลุดลอยไปดีไม่ดีส่งเสริมกิเลสหรือสั่งสมกิเลสขึ้นมากโดยสําคัญว่าตัวเรียนรุ่นหลักนักป่ามากก็ไปกับเป็นพระตรีปิฎกเคลื่อนที่ด้วยความเสกสรรลมลมแรงแรงทั้งๆั้ที่กิเลสเพิ่มผุนมากยิ่งกว่าคนที่เข า, มาไม่เรียนซะอีกมีมากต่อมากนี่เป็นหลักความจริงถต่ภาค ป, ปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติลงไปเท่าไรลูร่เข้าไปเท่าไรชัดเข้าไปเท่าไรยิ่ง ยิ่งเด็ยิ่งถอยตัวออกไปถอยไปหมดขึ้นไปหมดซึไปจนกระทั่งรู้โดยสิ้นเชิงละได้หมดทั้งที่ไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นวิสุท ธ, ธิจิตวิสุทธิธรรมเป็นอันเดียวกันกับกิตวิสุทธิธรรมและวิสุทธิกิตถามพูดวิสุทธิกิจแล้วพอวิสุทธิธรรมถามพูดวิสุทธิธรรมแล้วพอวิสุทธิกิจนั่นนี่แหะความละเอียดของจิตทางภาคปฏิบัติท่านจึงสอนว่าปริยัติใครศึกษาเราเรียนเข็มทิดทางเดินจําให้ดีและปฏิบัติตามนั้นนี่เป็นภาคปฏิบัติ พิจนาเกศาโลมานะาขาดวงตาจงเป็นต้นมี่ภาคปฏิบัติแจ้งออกไปจงกระทั่งพึงสภาวธรรมจนละเอียดละเอียดสุดด้วยปัญญาทั้งนั้นปัญญาเป็นขั้นๆตอนๆ ต, ตามสภาวธรรมที่มีความหยากความละเอียดจงกระทั่งทะลุปลุกปล ง, ปลงไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วนั่นเป็นปฏิเวธธรรมโดยสมบูรณ์คำว่าปฏิเวทธรร ม, ม, รรมหรือปฏิเวชนั้นจะมีเริ่มมีตั้งแต่ต้นนะอืจิตสงบก็เป็นผลอันหนึ่งแล้วรู้แล้วชัดเจนแล้วว่าจิตของเราสงบจิตของเราเป็นสมาธิ ปัญญาขั้นในรู้เป็นโดยลาดับเรียกเป็นปฏิเวทไปโดยลาดับจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นเป็นปฏิเวทโดยสมบูรณ์แทงทะลุปูปลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่ปริยัติปฏิบัติป ฏ, ตปฏิเวทแยกกันไม่ออกถ้าต้องการจะเห็นคุณค่าของศาสน า, ศาเห็นมรรคผลิพานในาศาสนาของพระพุทธเจ้าจแท้อย่าแยกกันในปริยัติปฏิบัติปฏิเวทให้ติดแนบกันไปถ้าแยกเอาแต่ความจํามาเป็นมรรคเป็นผลก็ได้แต่ลมปากนั่นเนี่ยมีแต่ลมลมแรง ไม่ได้สนใจปฏิบัติก็ไม่มีอะไรเหลือติดตัวไม่มีอะไรปรากฏในตัวเลยคําว่ามรรคผลนิพพานก็มีแต่ความจำอย่างว่าอะไรๆก็มีแต่ความจำํำกิเลสก็มีแต่ความจําแต่ความจริงมันฝังอยู่ในหัวใจของกิเลสเราไม่รู้นะถ้าเป็นปริยัตินะถอนขึ้นมาด้วยถอดขึ้นมาด้วยมรรคผลนิพพานนั้นะประจักษ์ในหัวใจด้วยนี่จุดเดียวเป็นความจริงความจํากับความจริงไม่ได้เหมือนกันความจริงความจําก็คือเราเรียนมาจําะไมามาเป็นแบบเตือนแผนทั้ง ความจริงคือเราปฏิบัติแล้วรูปขึ้นมาตามหลักความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ยังไงจริงประเดิมหักตั้งแต่จริงส่วนหยากถึงจริงละเอียดสูงสุดพิมพ์ผลพริพานนี่คือความจริงแห่งธรรมตั้งหลายมรรคผลนิพานที่พระเจ้าทรงแ ส, สดงนั้นสดสดร้อนๆเต็มมีในหัวใจของของผู้ปฏิบัติหนแหละไม่เต็มอยู่ที่ไหนถ้าไม่ปฏิบัติก็เป็นตำหรับตําราเป็นกระดาษเศษอยู่นั้นแหะมีแต่ชื่อถ้าเป็นเงินเป็นธนาคารก็มีแต่ชื่อของของเงินธนาคารไม่มีเงินแม้สตาตังเดียวเล มีแต่ชื่อของเงินเต็มแล้วน่ะเป็นกี่ล้านล้านล้านล้านบาทก็ตามมันก็มีแต่ชื่อตัวเงินจริงจิงสตางค์เดียวก็ไม่มีอันนี้ก็เหมือนการศาสนาพระริเจ้าเลียนจะขนาดไหนพระกายปิดกปีดกไหนบ้างเรียนจนจบไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็มีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานชื Enough, <z tama S 1> ่อของชิเลี่ยดชื่อของนรกสวรรค์มันไม่มีอะไรติดในหัวใจรู้ในหัวใจเลยแต่เมื่อปฏิบัติ เนบก็ไปฟาตก็ไปอาจนกระทั่งถึงกิเลสทาง ว, วันแล้วถามหาทาไมระผลิพภานก็ปฏิบัติเพื่อมะผลิภานทําลวงพ่อสอนเพื่อความจริงเพื่อมะผลนิพานมันก็เต็มอยู่ในหัวใจสิเจนเข้าไปจเจอกันไปความจริงตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดสูงสุดที่มุสลิพภานนี่แหละถ้าเป็นธนาคารก็มีทั้งชื่อเงินบัญชีเงินมีทั้งเงินเต็มตามบัญชีไม่บกพร่องอะไรนันนิดเดียวนี่มีทั้ง ตำหรับตำราที่เราเรียนมาเรื่องมรรคผลนิพพานบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานด้วยมีทั้งความทรงไว้ซึ่งความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเรียกว่าทั้งความจริงทั้งความจําทั้งชื่อทั้งธรรมชาติคือมรรคผลนิพพานโดยแท้จริงเราทรงไว้แล้วเต็มหัวใจเราเช่นเดียวกับธนาคารมีทั้งบัญชีมีทั้งเงินนี่มีทั้งตำหักตำราความจํำมีทั้งความจริงเต็มหัวใจเราเราสงสัยอะไร นี่ละศาสนาหลวงพ่อเจ้าเต็มเปี่ยมอยู่อย่างนี้แต่มันบกพร่องเพราะผู้ปฏิบัติเพราะผู้นับถือไม่สนใจปฏิบัติสิเรียนมาจดจํามาได้เพียงเท่าไรก็ถืออนั้นว่าเป็นมากเป็นผลของตัวเองว่าเป็นสมบัตตัวเองแทั้งๆที่ความจำใครเรียนก็จําได้เด็กเรียนก็จําได้ผู้หญิงผู้ชาคารวะานักบวชเรียนจําได้หมดเพราะความจําแต่กิเลสมันไม่เฉลบปอกเปิลสิถ้ามาปฏิบัติตามหลักความจําที่สอนที่ที่ท่านที่เราเรียนมาจํามาอันนี้ขอให้ท่านต่างๆจำเอาไว้ นี่หลักศาสนาชงไว้ซึ่งมากจนผลเป็นอาการิโกเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นอาการิีโกเพียงคําจํานี้เฉยอาการดีโกันแท้จริงเป็นผลสะท้อนมาถึงเราเต็มภูมิเต็มภูมิไม่สงสัยเพราะการแสดงธรรมก็สงวรู้สิ่ว่าเหนื่อยขออุติเพียงแต่นี้ไงมีหลงมีขาดไปที่ไหนบ้างไหมล่ะเดี๋ยวนี้เหมือนแต่ก่อนนะโอ้คอยดุกคอยลุนไปอะเว้่ทุกหน้าทุกหลังเว้นไปเว้นมาล่ะ ออมันจําไม่ได้ว่าไปพกไปเยันมาไม่ทราบไปไไยังไงตัวไงล่ะเนี่ยผมนี่ไม่ได้เรื่องเทศเลยไปหลงลืมไปเรื่อยว่าไปถามไปยังไงตัวไงล่ะมันไม่ได้เทศนานแต่ลิเทศพอพอพอจะเทศได้บ้างวันนี้ก็เลยลงมาต่อไปนี้ถ้าละลอเนมันจะเทศไปไดนเะนี่ยเพียงทรงตัวอยู่เท่านัน้นก็พอแล้ว หายใจวขมข็อคเขม็อคนอนก็ไม่ค่อยหลับลท่านร้อนออมากะกลางวันนี้มันได้นอนเลยแหละกลางวันมันหน้าร้อนห น, นอนไม่ได้เลยต้องไปนอนตอนกลางคืนท่านที่มันจะหลับดีมันก็ไม่หลับดีนะกลางคืนพอดีถ้าอย่างร้อนอย่างปีที่แล้วมานี่ใหม่สามทุ่ยังเข้าห้องไม่ได้นี่พิรึกนะนอนนี่เดียวหลับนิดหน่อยแสงสว่างยังประหลอดยัง ยี่ห้ายี่หกอยู่มันพิลึกนะอีกายนี่แตนี่ตอนเช้ายี่เอ็ดตอนกลางวันสามยสี่สามยห้าวันนี้สามยี่สี่แม่ก็ตอนเท่าไหร่สามีสี่สามยห้ายังพอทนสองสามเช้าวันนี้ก็ขุดกระมะมมีเชื่ยมคนบ้างกันทางชาติก็มีบ้างมันเป็นประการฉ า, มา ว, วมันนะเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นลนะ่ะ เรื่องมันสัมผัสควรจะเข้มข้นมันก็เป็นทั้งมันเองพอจบแล้วก็เหมือนกันอีกอะไรเข้มข้นหรไม่เข้มข้นมันก็ไม่เห็นเป็นอารมณ์ก็อะไรพูดแล้วแล้วกันไปหมดแล้วจำไม่ได้ทั้งด้วยกันทั้งนั้นแหละอะพูดเรื่องอะไรจาไม่ได้พูดแล้วก็แล้วไปเลยแล้วไปเลยแต่ทีนี้เราพูดถึงเรื่องความเพียร น, นะตอนต้นก่อนก่อนเที่ยงโอผมหนักมากจริงนะท่านมาหา เรื่องความเพียรเนี่ยผมหนักมากจริงๆถึงใจนะที่เรียนเรามันหนาจะรู้จะเข้าใจหรือจะสะดุดแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยมันแทบเป็นแทบตายนหนักไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งนั่นเนี่ย ถึงเดินจะ เ, เสื่อซาซาเว่านนเวลามันหยุดขมันก็เป็นนั้น <c oughs> เดินเสื่อซาซาไว้เหมือนไม่คนมีไม่มีหัวคิดปัญญาอยางงง่งนั้นก็จะต้นไปถึงทั้งทังนู้นแหะอย่งนั้นมันก็ทำ ม, มันก็เป็นให้เห็นเวลามันเดินเสื่อซาซาไม่เอาเรื่องอะไรเขาอะไรก็เห็นทั้งที่มันหมุนเป็นธรรมจักร <c oughs> เวลามันยุติของมันก็เป็นก็เห็นใน ห, หัวใจของเราหจิตตั้งหลังไม่ได้เนี่ยวมันทุกข์มากจริงนะจิตไม่มีหลักทุกข์มากจริงจริงกูจะปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงเป็นประโยชน์แก่ตนแล้ ว, วก็ค ว, ว, วาประโยชน์แก่โลกนี้ก็สหายญาติปทุมวันนะดูปฏิบัติให้ เห็ น, นจนริงรื่องจริงกระจักษ์ขอใจแล้วพูดออกมาเรือยอย่างฉานอาชาญหอย่าง้เพร า, า, า, า, า, ามันก็ลัาหวังกังยาเจ๋อหนึ่ง ม, มันติดมันไม่รู้สิมันไม่รู้จะพูดอะไรได้ห่พะพูดก็พูดออกมาจากรู้จากเห็นทาไม่รู้ไมเห็นก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเที่ยงล่ะก็งนีจะ็ขึ้นจ ม, าม่าแล้วก็สูญสูญดีเมื่อผมพูดตำหนักของจริงนะที่เที่ยแล้วนี่มันก็ดังอนุพิธฐานธรรมหา เที่อนุทิศฐานเที่ยวสารพันี่มันกับหมุนตือไปเลยไสารประชาชนปเะชนขั้นใดภูมิใดบ้างแน่มันก็ต้องแยกทันทีอ่ะเป็นในหลักธรรมชาติของมันเองํามองนี่คฟ้ามันดูด้วยเหมือนกับฟมมาจโกาแล้วไอเที่ยวแบบหนแบบไหมันบอกหรอจะให้มันเป็นไปตามหลักธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนีผมพูดจินไม่ใช่คุยนะถอหว่างอะไรบ้างอย่างทุกฟังงายกลุ่มตามตามล้มนานนานไปน่อ เพราว่าเขาไม่เคยฟังแต่มันนี้มันรู้อยู่ว่างไว่างนี่แล้วพูดงงอืมสิ่งที่เราไม่เคยรู้มันมันรู้มันเห็นนี่จะว่างไรแต่มันก็มันมันก็ไม่ใช่มันไม่มีอะไรที่จะอยากพูดจากตาที่เมื่อเหตุผลไม่สมควรที่จะพูดในเนี่ยอะไออกมามันก็เหมือนไม่รู้บางทีเหมือนว่าเข้าในลิชักว่างนันเถอะล็อกไว้เลยถึงจะไม่ควรที่จะพูดไม่พูดรู้อยู่ขนาดันก็ไม่พูดพูดก็ไปอยู่อะไร มึงทำน้องมึงจะขยโทษจากผู้บังคับอยานี้มันต้งหลายขั้นหลายตอนหัวมันสนุกพิจานณาสกวัาจะสนุกนะแต่เราพูดเฉยเราสนุกเนี่ยคือมันเปิดมันเผยมันอะไรนะไม่มีอะไรมาปิดมาบังเวามันสนุกเหมือนกับตาในทะเลหลวงอะ่กว่าหัวหางกลางตัวสะดวกสบายปนบเลยไม่ได้เหมือนตาอยู่ในโองเข้าใจไห การทีขังนย่ในโอ่งนันั้งกับกังแก่ทั้งคอยที่จะลงอีกอ่งหนึงโอ่งเบื่อท่อานๆเข้าใจไหมเ <laughs> นี่นนยเหมือตปนาในทะเลหลวงหัวใจมันเปิดโลกของมันแล้วอ๋อว่างันเลยเพราะว่าครจะฆ่ากฆ่าถือว่างนันเลยนะคู่เด็ดจดังเลยใครจะมาฆ่าจิตกระเฮงนี้วาแต่เราก็ก็ไม่อาจจะพูดไปได้ว่าทั่วทั้งหมดนะ มันอาจจะเป็นไปตามนิสัยาสนาของแต่ละภูมิภูมิหรืดังที่พเจ้าท่านส่งตั้งเป็นเอกลักษณนี่ยเราตัวเท่าหนูนี่มันก็เป็นของเราไมว่าไงมันเป็นก็เหมือนไมเป็นก็ไม่แสดงออกเฉยไอ่รู้สิสิงที่รู้ที่เห็นที่จะนำมาพูดเนี่ยมันพอมาพอยู่ขนาดนั้นก็ว่าไปาเรื่องที่มันพอหมดองไพูดเสียเนี่ย ท่บางทรู้อยู่มือนก็นพูดไม่พูดเนี่ยมันยังั้นแล้วบางทีโมโหบังกเอาจะบังจริงๆพูดถงนานๆงั้นจังหที่สี่สีก็ตูมตามไปปล่อยไป่านไปง่ายจริงเรื่องขันจมดาเนี่ยขันเอือยไม่ต้องพูดเลยอ๋อทาให้ตีตัดอันตู้โหิเรนี่มันบีบจริงๆะตาผมแจ้งตาสว่างแต่ข้างในมันมืดมันบอดที่ อันนี้สิมั น, นเห็นทั้งสองอย่างเลยเวลามันแจ้งมันสว่างข้างนอกกคเห็นาภายในมันแจ้งสว่างอย่างไงก็ให้มันเห็นนี่หัวใจะเป็นธรรมาชาติที่รู้แท้ควรจะแจ้งจะสว่างแท้มันทำไมมันไม่แจ้งไม่สว่างไม่รู้สีไอ้ที่เหลือเป็นเครื่องมือทะลุงนี่เราเวลานว้านมันออกให้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นอะไรซึ่งกี่ตงนั้นแม่นี่ทีจะพูดไม่ถูกจะคาดประมาณนั้นเลยนะ พูได้เลยเติมปากผมความรู้ธรรมชาติเหล่านี้คาดชะลารักเตะตายทิ้งกับปอแล้วครับเราอยูงในสมมตินี่อะไรมันก็ต้องขาดปุ๊บขาดคณีปุ๊บวาดภาพคุณป๊ปุ๊บไปเลยอ่ะแต่มันไม่มีไม่มีูกกระจแต่ได้วาดภาพก็เอาคือว่าความจริงเข้ากันไม่ได้เลยเพมันกว่าสมมติเพราะมันเป็นยิสัยของจิตในสมมตินี่ เป็นจริงแล้วไปยังไงที่นี่างนันเหมือนกัอะไรนั่นยกขึ้นสามดนโลกธาตุนเหมือนกัอะไรไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนกับอะไรนั่นเท่านั้นพูดแต่เท่านั้นรวมลงมาเลยไม่ไม่ไม่เหมือนกับอะไรไม่มีอะไรเหมือนเท่านั้นเองนาไปไปคำนิหรือจะไปชมว่าชมู่ทาบบไปบางสุขังว่าโอ๊ยหน้ากขยิมยิ้มย่งนี่มันก็ไม่มีนะ ไม่ถูกซะงั้นหรอวะที่พวกเรามันจะต้องคาดว่าความสุขมันจะเป็นประมางหรือขังคงจะถูกอย่างนั้นเขาจะส่างนั้นมันวาดภาพบ้านไปเข้าใจไหมพอ ถ, ถึงที่มัน ถ, ถึงยิงลงาวาดหาอะไรเนี่ยจะชมที่ตรงไหนก็มันก็ขัดเสี้ยจะไปจะมีที่ตรงไหนก็ขัดเสี้ยเนี่ยเพราะไม่ถูกชมมันก็ไม่ถูกคำหนี้มันก็ไม่ถูก ก็ไมเลยันไปเสียทุกอย่างพูดอ่างนั้ว่างนี่จะดีกว่าจ้ะมันชมกระชังงเรืองจำหนิจังเน็้กับตัวนี้ยังไงเรื่องจำอันนั้นมันนอกเรืองจำนี่ว่าไงว่านี่จะดีกว่าผมิดวิถีวิจากับหมู่กับเพื่อนมันควรจะได้จะถึงแค่ทำเหล่านี้นะมันอยู่ในวงของผูปฏิบัติแค่จะเอาให้ได้นะขอจะฟันลงไปเถิจากที่ว่านี้นะนีันจริงๆกยังบอกแล้ว ผมนี่ทูกแสนสหัสอย่างบอกมันจะเป็นเพราะมันกับเพราะวาฒนาของเรามันหยาบมันเองเยอะหยาบก็นเป็นน่าชมอยู่อันหนึ่งที่ว่ามฉลอยจะมีอยู่เลยวาันาว่าเมันถึงไม่ถอยเนี่ยไม่คิดดูอย่างติดเสื่อมนี่ยม่แห่ผมเป็นพื้นไปแต่มันไม่ถอยนี่อันนี้อันหนึ่งน่าชมอยู่นะมันพลิกคมนั่นพลิกสันนี่หายเล่หาเหลี่ยมหาที่จะเอายวนจนไม่ได้อะไรจริงแล้วก็ เอาพุทโธแล้วเป็นกระตากับพุทโธเลยเพราะว่าอะไรมันจริงนะผมนี่ใส่ผมเอาพุทโธก็พุกกับพุทโธเลยที่ไม่สนใจว่าอะไรเลยอ้าวพุทโธกิจเตือนก็เข้าถึงขั้นที่มันเคยเจริญแล้วมันเสริมแล้วเอ้าเสริมก็เสื่อมไปไม่เสียดายนั่นถ้าว่ามันจริงมันจริงนั้นนะอ้าจะเสริมก็เสริมไปแต่กับพุทโธจะไม่ปล่อยนี่มันก็เอาคำนั้นเลยอ้าวจะเสริมก็เสริมไปมันเคยเสริมมาพอแล้วไม่สนใจหัวมันละวันว่างนี้เลยจกอยู่กับพุทโธเป็นกายับพุทโธนั่น ไม่ป่อยจ ร, จริงีๆเอาจนกระทั่งพุดพุทโทนี่กับคําบริกรรมนี่เข้าเป็นอันเดียวกันบริกรรมไม่ได้เลยนี่มันชัดขนาดนั้นนะบริกรรมมันก็ไม่แยบเนี่ยเมื่อมันเข้าถึงกันอย่างชัเน็ตจริงๆแล้วไม่แยบก็อ๋ออยู่นี้อยู่กับอันนี้มันบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมมันถึงขั้นบริกรรมไม่ได้มันละเอียดขนาดนั้นเป็นแต่ความรู้ล้วนๆอยู่จะว่าจะปรุงขึ้นมาแยบเป็นสงขาเนี่ไม่ออกเลย ท่านกันกระนาดนั้นมันก็เห็นไปจับ ก, กับเจ้าของไงมันถึงได้พูดได้สิวะอ่ะไม่มีก็แม่ต้องแต่ไม่ปล่อยอันนี้อีกและเนี่อย่างนั้นนะไม่ปล่อยรู้รู้นี่แหละวะบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมเอาไม่ปล่อยทีนี้มันก็มีจังหวะหนึ่งเพราะ อ, อิ่มตัวเอามันแล้วมันมันก็ปรุงได้อระปรุงได้ก็พูดโทเข้าเลยนั่นถึงกนานนั้นมันถึงพูดได้วะ่ะมันชัดในหัวใจมันทํำไมพูดไม่ได้วะ พูดได้ยังอานฐารไว้โชว์ตักัท่านเลยมันเป็นยังไงหัวใจนี่แตท่านไปไหนบ้างมึงต่อไปมึงก็ถึงที่นั่นแล้วควรควรจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมทั้งๆที่มันจะเสื่อมก็เสื่อมไปเป็นกระตางตากระตามว่ะพูดโท่ที่ไม่ปล่อยมีอย่างเดียวนี่เท่านั้นนะนอกนั้นเอ้ามันเคยเสื่อมมาตลอดพอแล้วจนอิจฉาละอาใจแล้วถ้าอยากให้มันเสื่อมเท่าไหร่มันก็เคยมันเอาขนาดนั้นนะจนกระทั่งไม่นอนกลัวมันจะเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาดิเนเห็นขนาดนั้นนะผมอ่ะ ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพระโพธิการูมันเสื่อมห้าหนเลยรับนไหมว่าพะโพธิการนะเรืออะไรพระโพธิการเสื่อมห้าหนอันนี้มันไม่ทราบกี่หนนะขึ้นไแล้วลงลงต่อหน้าต่อตายนะแม่ผมก็อัศจรรย์เหมือนกันนะทําไมมันลงได้อย่างสบายสบายเลยทั้งทงที่เรายันกันอยู่เต็มที่นี่มันมันเหมือนกับว่าโคลงที่ติ่งลงมาจากภูเขามัน ฟันหัวเราแหลกไปตามๆกันซึ่งผ่านไปรล้วกลับมาสายใหม่นี่นะจนจนอินทร์นาราใจเพราะนั้นเวลาจับข้าพุทธโธจริงไม่ปล่อยอ้าวมันจะเสื่อมเสืมไปมันเสื่อมมาพอจนดินทร์นาราใจแล้วทีนี้ไม่เสียดายมันมันขึ้นขนาดนั้นหรอมันก็เด็ดพราะลีสัยนี่มันเด็ดอยู่แล้วต่อยจะเสือเส่อมไปไหมไม่สนใจที่นี่ไม่สนใจกับความเสื่อมความจเจริญเลยนะแต่กับพุทธโธนี้ไม่ปล่อยอยู่กับนี่จุดเดียว นี่มันขึ้นมาเงินนี่ขึ้นไปแล้วก็ไม่เสื่อมมันเสื่อมเราก็ไม่สนใจมันจะเสื่อมเราก็ไม่สนใจเนี่ยอันนี้สําคัญธ์นะปล่อยแล้วเนี่ยอือคือทางคนแน่นเขาแน่นเขาแน่นเขามันก็ย้อนคิดได้ที่อ๋อจิตนอเนี่เป็นเพราะเราเผอความบริกรรมนี่มันคิดปรุงแต่งไปทางสมุทัยได้เพราะมันเป็นจิตของเรามันต้องเสื่อมแหละคิดนะนี่เวลามัดกับนี่ไม่ให้มันออกไปนน่นได้แล้วให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธซึ่งเป็น คําบริกรรมของมักใช่ไหมล่ะสังขารทางมักหนี่อืงสังขารสังมักกับสังขารทางสมุทัทยที่มันปรุงโดยหลกักธรรมชาติน้ำมันนั้นเป็นอีกอย่หนึ่งสังขารของมักที่เราตรงอยู่กับพุโทโธพุโธนี่เป็นอันหนึ่งองานได้ได้เจริญขึ้นจเจริขึ้นที่นี่แน่นหนาเข้าเลยเลยเลยเลยเอาไปยังไงก็ตามมันไม่ยอมปล่อยจนความรู้นี้เด่นเป็นเหมือนหินอะไที่นี่นั่นหินก็หิน ทำบริกรรมได้ก็ไม่ถอยจุดท่ามันก็เลยเป็นอันเดียวกันความรู้กับควาบริกรรมวันที่นี้มันก็ปล่อยกันแบบโดยหลักธรรมชาตินะเราไม่ตัง้งใจจะปล่อยนะมันหลักหมดกันโดยหลักธรรมชาติเพราะอันนี้มันเด่นอยู่แล้วพอเด่นก็เต็มที่แล้วเกินกว่าที่จะบริกรรมโดยพู้โธว่างั้นเถอะนี่คัทอย่างนั้นเดียเด๋ยวรักษาจิตอันนี้แม่เอาจริงนั้นหนักมากอหูตามีไม่ได้ใช้เลยว่างั้นเถะ กลัวจะเผยวุฒโทเนี่ยเราขนาดนั้นนะแต่ว่ายิ่งกว่านี้ขอติดคุ้มในเรือนจําว่าว่าดกันจนกระทั่งถึงฟาดกันเราจนกระทั่งถึงมันรู้ชัดมันพริษในตัวงมันไงตอนตลอดลุ้งอ่ะมันได้เห็นอรวุสัตว์่างประจักษ์หัวใจหาที่สงสัยไม่ได้แล้วเออเห็นอันนี้เลยเห็นอาวุสัตวรู้อย่างนี้เหลือลัวอรวุสัตว์เหลือรู้รขนาดมันชัดเพียงขนาด เห็ว่าเอาที่นี่ไม่เสื่อมจิตนั่นมันแน่แล้วนะที่นี่ไม่เสื่อมจิตมันชัดแหละถึงอย่างนั้นก็ตามความระวังของมันมันเข็ดดีนะมันคล่องมันอ oh. เข็ดมากจริงๆผมรู้ทรมานปีกว่าๆนะถึงเดือนเมษามันถึงตั้งไรตั้งหลังไรตั้งแต่เดือนอ้าเดือนยี่ปีก่อนกันนั้นเลยนั่นไปอีกไปถึงเดือนเมษาปีกว่า จริญเสื่อมเจริญย่านี้มันจะเป็นจะตายทุกข์มากจริงๆนะเพราะมันเคยเห็นจิตอันนี้แล้วพอในหาไปแล้วมันเป็นเพื่นเป็นไ่ายเลยแต่ก่อนที่ไม่เคยรู้เคยเห็นอันนี้มันก็ธรรมดาเหมือนเราทั้งๆเนี่ยพราะนั้นจริงๆเทียบเป็นข้อเปียบเทียบขึ้นมาสิคนที่หาเช้าจริงๆไม่มีเงินมีทองอะไรเจ้าบาทสิบบาทแล้วเขาก็อยู่เขาไปงั้นเขาก็ไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรคนที่เป็นเศรษฐีมีเงินเป็นล้านๆอย่างนี้ ไปล่มจมก็เหตุไต่เห็ุหนึ่งเสียนี่แม้ในธนาคารจะยังเหลือเงินอยู่เป็นทั้งแสมาตามเงินธนาคารที่เหลืออยู่เป็นชั้นแสงไม่มีความหมายนะเงื่อนจิตมนไปอยู่กับเงินเป็นลล้านที่ล่มจมเป็นแล้นแบบเป็นทุกตรงล้านเศรษฐีอะอันนี้ก็เหมือนกันมันเทียบได้กัต่างกันแต่ก่อนเราไม่เคยลูกไปเห็นกิตตรงนี้เราก็เห็นไม่เห็นทุกข์อะไรนั่งหนาพอมาได้ปรากฏกิตตรงนี้แล้วแต่มันได้เสื่อมไปเร่ต่อหน้าต่อสายแล้วมันทุกข์อมมากจริงๆริงนะเพราะั้นเพื่อนเอาเป็นนอตตายเขาว่าโอมันเป็นจริงๆนะผมไม่ราาบบบจะะตยแไน มันเป็นงั้นมันตายจริงอ่ะ ม, มันพูดนี่ริเชื่อเพราะโคตริกัดสิเพราะมันเป็นในหัวใจอของคราวนี้ความเสื่อมกับความตายนี่ต้องเป็นไปด้วยกันนะ่ะมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึิงทายังไม่เด็ดตายยังไงก็ออกฟัดฟาดกันจนถึงชีวิตสุดขาดดินเลยว่ามันมันนึกในแค่มแข็งนโอ้โหมันเด็ดจริงๆนะเพราะโคติกัดที่มันเป็นเราเชื่อ เมันเป็นในเราจริงมันก็วิ่งรับกันปุ๊บเลยล่ะเป็นพยานกันท่านแต่ท่า น, นเรียกว่าฌานเสื่อมนะเราเนี่เรียกสมาธิเสื่อมอันเดียวกันเลยฌานะก็แปลว่าความเพ่งเพ่งลงในจุดที่สงบละสิเจ๊ะ ไ, ไหมละ่ะอืมท่านว่าฌานเสื่อมฌานเสื่อมมันพูดนิยมชื่อว่าฌานเสื่อมแต่เรานี่ว่าสมาธิเสื่อมชานะก็แปลว่าความเพ่งความจ่อลงในจุดนั้นน่ะจุดสงบน่ะที่นี่มันเสื่อมไปเสียน่ะ จุดสงบไม่เลยไม่มีนั่นผมนี่เรียกวสมาธิเฉียบระรำไดทีแล้วมถึงได้เอาหนักหนักโอ้สมใจนะักเหมือนก่ากัดฟันสะขาดจะหักก็นุ่นน่ะเวลาทุกข์มากๆมากเท่าไหร่มันจิตมันไม่ได้ถอยเนี่ยมันจะถึงไหนมันไม่เลยตายนู่นน่ะทุกเพียนแค่นี้ยังไม่ถึงขั้นตายนู่นฟังดิอ่าเอามีอะไรฟาดเอาแสดงให้หมดนุ่น จะฟังจนกรทั่งถึงตายว่ะนั่นมันไม่ได้อ่อนดีนาจิตนะมันเด็ดทั้งมันนั่นที่มันต้องได้เห็นความจริงเลยสิเราจะดูแต่ความจริงเท่านั้นเรื่องเป็นนั้งตายไม่ยุ่งนั่นจะดูแต่ความจริงให้มันถึงที่สุดของความจริงนี่เอาเป็นยังไงอะไรทุกมากน้อยเพียงไรจะดูให้มันเห็นความจริงความจริงความจริงทั้งจิดทั้งสิ่งเหล่านี้นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะความตายมันไม่เอาเข้ามายุ่งเลยเพราะงั้นมันต้องรู้ความจริงเลสิมันเพราะมันต้องการความจริงต้องการรู้ความจริงเท่านั้นวะงั้น อย่างอื่นมันเป็นอะไรเป็นก็ตายก็เอาเดี๋ยวนี้มันไม่ตายมันไม่เลยตายทุกสถานี้ยังไม่ตายเราเพระฉนั้เห็นความจริงนี่เราเวลามันเลยรู้ความจริงของมันแล้วมันถึงโอ้โหมันชัดสุรู้จริงแล้วมันไม่มีอะไรกระทบกันแต่จิตผมมันเป็นสองอย่างนะทั้งมหาแต่แต่ก็ดีเป็นเมื่อเวลามันเป็นอย่างนั้นแล้วใครพูดยังไงเป็นไรมันก็เข้าใจทันทีกันที พอมันรอบอวัยวะสัตว์แล้วมันลงเพิบหมดเลยนี่ก็มีเรียบไป็นเอันหนึ่งที่พูดเฮ้ยพูดไม่ถูกนะนั่นแหละความละเอียดท้องจิตขนาดนั้นนะ น, นะจะว่าจะามีเอ้ยมันก็ไม่ถูกไม่มีมก็ไม่ได้นั่นแหละว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าปรากฏนะคำว่าสักแต่ว่าไม่ใช่เป็นสักแต่ว่าธรรมดาโลกนิยมกันนะ คือมันละเอียดถึงขนาดนั้นระว่างั้นเถอะนะเรียกว่าสักแต่ว่าอืไม่ใช่สักแต่ว่าทำศักดแต่ว่าเป็นศักแต่ว่าไปสักแต่ว่าพูดนะเอแล้วมันสาคัญกว่านั่นอีกะแต่มันไม่มีคําที่จะพูดก็เลยว่างั้นแหละนะคือว่ามีจริงก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ดูทิ้งที่มันอัศจรรย์ันหนึ่งอยู่ในนั้นน่ะมันพูดไม่ถูกเลยนั่นถึงเอาสักแต่ว่าเขาไปว่าท่านเพราะนั้นหายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแต่นั้นมันก็เป็น อีแบบหนึ่งวุ่นพอมันมันรอบของมันแล้วเต็มที่อริยสัจมันรู้ของมันเต็มที่แล้วตากันต่างจริงนะทุกข์ก็ก็มี๋ยวมันไม่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงใจกายก็สักแต่ว่ากายเนี่ยเวทนาก็สักแต่เวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตจริงต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันมันจะเป็นขนาดไหนมันก็ไม่ได้กราทบกันต่างอันต่างจริงอย่างนั้นนี่รู้อริยสัจ รู้อย่างนี้รู้โดยความจริงไปอย่างนั้นมันไม่กระทบกันไม่ได้หมายบาดทุกไปอย่างนั้นทุกไป็นอย่างนี้มันสักแต่ว่าทุกเฉยๆอย่างที่ท่านแสดงไว้ในสติปัฏฐานสี่กายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาเวลามันเข้าถึงจริงความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ไม่กระทบกันมันจะเป็นอยู่มากน้อยเพียงไรมันก็เท่านั้นแหละมันไม่ได้เอาข่าวมาถึงกิตได้เลยอันนี้ก็เป็นมันเป็นอยู่สองอย่างผมแต่มันเป็นในหลักธรรมชาติของมันนะเราจะบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะ เวลามันจะเป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมันเองเวลามันจะเป็นแบบนั้นมันก็เป็นของมันเองเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นในสองอย่างผมอเวลามันผาดผลก็เป็นของมันเป็นของมันเองเวลามันจะเรียบเรียบเรียบเรียและเอียดไปของมันก็เป็นของนเองแล้วไม่ได้ตกแต่งไม่ได้บังคับถ้าบังคํามันขัดกันนะหลักปฏิบัตินี่เป็นอย่างั้นต้องให้เป็นตามหลักความจริง่รู้ตามหลักความจริงเห็นตามหลักความจริงไปตามนั้นมันต้องชัดเจนมันต้งสนุกดูว่างั้นเถอะนะ แล้วไปบีบไปบังคับมันไม่ได้ในสิ่งที่ไม่ควรบังคับไม่มบังคับสิ่งที่ควรบังคับต้องบังคับแน่มันไปอย่างนั้นนะหรืว่าความจริงกับความจํานี่โอ้โหผิดกันมากนั่นเ ร, น า, ร, า, ร, า, กนราก็เรียนมาทลายอริยสัจทุกสมุทัยในโลกมากเรียนมาเท่าไหร่ก็มีแต่ความจำํำล้วน ๆ, ๆความจริงไม่รากฏยืบแยบในหัวใจเลยแต่เวลาปฏิบัติมันเป็นขึ้นมาอย่างนั้นถึงได้มาเทียบกันอย่างชัดเจนเลยที อ๋อความจริงเป็นอย่างนี Money, ้เองเป็นอย่างนี้เอความจําเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้นี่อันนี้มันกระเตยได้หมดส่งสมาธิความจําสมาธิความจริงปัญญาความจําปัญญาความจริงขึ้นไปสุดฉินเลยความจริงความจําเป็นยังไงนี่มันเข้ากันได้หมดเลยความจริงเข้าถึงไหนมันหายสงสัยสงสัยความจําเข้าถึงไหนมันสงใสทั้งนั้นที่นั้นที่นั้นเรียนถึ้งมัณิพานก็ไปเป็นข้าศึกกวัิพานโลกกวัณิพานอยู่นั้น นั่นะความจำมันสงสัยความจริงนี่ผึ่งผิ่งไปตรงไหนขาดจะ บ, บ้านสะ บ, บัดไปเลยนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะเวลาเราตายยังไม่มีใครพูดอย่างนี่นะเทศมันไม่ใช่คุยนะท่านมหาพูดแบบบุ้งเบ้งเบ้อย่างผมผมตายแล้วไม่มีใครพูดบุ้งเบ้งเบอย่างนี้นะเป็นนิมมานัดไมิเตเสริมเลยนี่เสริมอะไรมันก็ไม่ได้เลยแต่ความมิเตกดดดตลอดเลย <c oughs> ว่าการอยู่กินหลับนอนบังคับทั้งนั้นยิ่งกว่านักโทษยิ่งกว่านี่ยิ่งกว่านักโทษเขาตีคุกตีตารางเราบังคับเราขนาดนั้นผมผมเป็นจริงๆนะเพราะมันทําด้วยความตั้งใจทุกอย่างบีดตลอดบังคับตลอดเวลาเลยยิ่งออกจากงูคณะไปคนเดียวนนยิ่งหนักน การที่จะเบาไม่เบานะยิ่งหนักลงไปโดยรหนักคว่าจะเป็นที่เต็มที่เพราะฉะนั้นจึงไม่ลื่นความเพีย่ยนต้องฝงลึกความหนักในเรื่องความเปลี่ยนหนักมากจริงผมนวิวาสนามันหยากธรรมดาไม่ได้เรื่องต้องได้คดกันลงจนนอนกับ ตั้งท้าจะตื่นอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่หลับนั่นหรอกไม่ใช่ธรรมดานะมันเต็นประจำมาเลยนะเพราะฝึกมาอย่างนั้นคงเส้นคงวามาตลอดไม่เลยมีอ่อนข้อย่อหย่อนนะถึงขนาดนัง่งกินเหลนยังฟัดเราจนน้ําตาล่วงผมลืมมาไหนผมไม่ลืมถึงเวลากูมึงกันอนะยังไงมึงต้องขังมาหนึ่งนูนะ่นอะเครียด ความเชื่อ่นสู้ไม่ได้ตั้งพฤติภพลมพ่อยล้มพ่อยไม่ทราบว่าตั้งอย่างไงตั้งกับลมพร้อมกันพร้อมกันนี่เวลาท่านจิตไม่ได้เรื่องเลยแล้วไม่รู้ทางเดินไม่ทราบเดินทางไหนท่านอนมีกลังบีบลงมันต้องเหลืกหลายชั้นหลายคมเชืแช่นินหนักสู้เสือด้วยคปั้น เดี๋ยวไม่ดีแล้วมันต่อไปซะจนเลือดสาดเลือดสาดมันยังสู้มันอยู่นะน้ำตาลล่วงยังสู้ไม่ถอยมึงต้องพังกันหนึ่งในนั้นยังไงมึงต้องพังอ่ะมีแต่ยังไงมึงต้องพังจะไม่ทราบจะเอาอะไรไปทำให้มันพังไหนตอนนั้นมีแต่กำปั้นกับเสือยังไงมึงต้องพังอ้อได้คิดไม่ลืมนะ ตพงนเวามันได้ทีมตเอากันหนักจริงๆสมสมใจสะใจจะบิดตรงขนาดหนักพอพุทโธไปเสื่อมแล้วมันไม่ให้เผอเลยนี่ตั้งวันตั้งคืนไม่ให้เผอหนงงานเดียวพอได้ทีมันเน้นลงอย่างถ้าเป็นช้างก็เลือดสาดเนี่ยบนหัวมันขอสับลงไปเลยสิไงั้นจะกุน พองกุนแตกหรื อ, อถึงขนาดนั้นมันจะเป็นแรืงถึงขนาดมันทองกุนแตกก็เล้วหมดเลยมไม่สนใจนะเวลามันนั่งชันยังไงรู้นั่งไม่ได้นั่งคัสสมัดนั่งเพื่อเพียบฉันก้นมันจะเจ็บก้นเวลานั้นเรไม่สู้งานยังไม่เสร็จพลิกนั่งก็เพียบเลยนะกระเด้ยพลิก ขึ้นเวทีเทนั one, Bro, hu, edar, ้นเหล่นี้ไม่มีอารมณ์นะแปลกอยู่นี่นะคนเล้อๆน่นรพอวันไหนจะเอาเอานะวันนี้เท่านั้นหมดเลยเรื่องกลุ่มลุงเะิร์ดเอยนจิตหนีผมได้ชมอยู่นะมันจะไม่ต้องกดกดคิดไม่ได้เฉลี่ยมันจะมีว่าสนาอยู่เรือเราบรรทุกในขนาดนั้นมันยังไม่ถอยเองนได้คิดนะมันน่าจะถอยกูดกูด มันไม่ถอยนะทุกขนาดเป็นจะตายมันยังไม่ถอยยังไงมึงมึงกูงกูมึงในใจนะไม่ใช่กูมึงในใจอ้าหนักจริงๆมันไม่มีเวลาเลยนะมันออกปฏิบัติเนี่ยไม่มีเวลาเลยไปลืมหูลืมตาทั้งที่สู้มาแด้มันก็สู้กันอยู่นะมันก็ทุกแบบหนึ่งนะ สู้มไม่ได้แต่สู้นี่ um. มันก็ <ijo land uar> นนทุกแบบหนึ่งพอได้หลักเล็กเจนแล้วก็สู้อีมันก็เป็นทุกอีแบบนึ่งมันเป sal ็นทุกไปคนละแบบละแบบนะได้หลอกเล็เจนนัก็ทุกแบบอืมแค่นี้ได้ทีแั้เนี้ยแน่ใจว่าได้ทีนี่มันก็ทุกอีกแบบหนึ่งยิ่งหนักยังไม่ถอยอันนี้มันแต่ว่าเกียดแช่นมันก็ไม่ใช่ละมันมันหมุนของมันเองความเกียรแช่นมันก็หายไปแตอมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมันหมุนของมันเอง อัตโนมัติเป็นเองเพราะความเห็นภัยพนึล่นถูกเห็นคุณทําเท่างหลายมันพอพๆกันแล้วมันก็มกําลังใจมันก็หนักมากอย่างนี้มันหมุนมอันนี้ไม่เกจแช้นมันเป็นธรรมชาติหนึ่งมันก็ทุกอย่างแบบนี้เห็นหมู่เพื่อนทําความภาคความเพียรเอี๋บวรับหูรับตาดูว่ามันเถึง ถ้าจะเลืมตาดูอย่างมันดูไม่ได้ผมไม่ได้ประมาทหมู่เพื่อนนะเพราะในตูนผมยังบอกผมแสนทนนะทนกันบหมู่เพื่อนทาอะไรลงไปนี่ปั๊บมันจะจับได้ทันทีทันทีความู้ความจะหลานดนะมันบอกไยู่ในริยา่งการทําและสิ่งที่ทํำลงไปเป็นยังไงยังไงรอบหรือไม่รอ บ, รอบใจเราครอหรือไหมเราครอกความจงใจนี้ไม่จงใจนีงง่นมันบอกอยู่ในนั้นในนั่นในนั้นคืออ่านไปตามนั้นน่ะ แบบว่หาหรับตาดูปิดหูฟังอย่างนั้นถูกเพาตั้งใจฟังมันฟังไม่ได้กว่าตั้งใจดูมันก็ดูไม่ได้ดูตรงไหนมีแต่ความเคลื่อนทัดเคลื่อนทเรื่องของกิเลสทํางานทํางานโดยเจ้าของไม่รู้นะ น, นี่นี่นี่นว่าเอา่กิเลสละแล้วอย่าจริงจริงหรืออย่าจริงจริงน่นว่าอจาจจะจับพระพุทธเจ้าว่ามีใครแหนใครมอง อยู่ก็โผลขึ้นมาได้ไอเร า, า, เ า, าด่นสอนสุดจะเป็นแทตายมาทำอยมางนั้นในหน้าในหลังอ๋ออะไรจะไปแล้ผ ม, มอยู่งกว่ายุเนีผในโลกก็ท่า น, น ม, มีควมมีเท่านี้วางเลยยิ่งกล้าพูดเลยสิถึงเวลาหมุนกันนีสิมันก็ถึงขั้นทอย่างนี้มันจะเป็นต้ามนิสัยยังไงก็ไม่รู้เพราะเราทุเรศมันหยาบมันอาจจะทุกข์มาก จึงได้เห็นหลายเรื่องหลายราวของตัวเองอย่างนั้นก็อาจเป็นได้ผู้ที่เบาบางก็ปัป๊บๆไ ป, ป, ปผ่านไปเลยก็ได้แล้วนี้ไม่เป็นไงรอดตายรอดตายนะก็จะได้รู้นี่หตุรู้ผลแต่ละอย่างไม่ยากมันแหลมคมโถโถขนาดนั้นนะ อ, อกบุทานนี่ก็มานจะไปชุมนานเลย อันนี้เห็นมีนั่นนิดหน่อยทั้งทั้งแล้วกับเวลาก็ยังไม่ร้อนมากแต่ร้อนมากกว่านี้ผมจะพูดอะไรไม่ได้นะนี่ยังมีพอจะพูดได้ก็เลยลงมาแต่วันนีงอุ่นกันแล้วแต่มันจะตกจะยังจะเหลือเป็นไหนล่ะเดี๋ยวนี้เอาแน่มาได้แล้วเกิความจําเสื่อมทุกวันวันแท้จะไม่มีเหลือเกิล้มหน้าล้มหลังเมือนคนไม่เคยเกิ คูดไปตัวขานับทันทีนะต่อหน้าเราตายนะมันเร็วกว่ขนาดนัน้นนะความจำหายนะอะไรนะเรื่อกัละลรทัาพอุกคนเหนื่อยนะ